เพิ่งพากันตั้งใจตั้งสติสรวมใจของตนให้แน่วแน่ร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปตามดินฟ้าอากาศได้ บางทีมันก็ปกติสาบายบางทีก็ไม่ปกตินี่แหละความไม่เที่ยงเห็นได้ชัดๆเลยทีเดียวสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแต่พระพุทธเจ้าหาได้วันไว ต่อสังขาร น, นั่นไม่สังขารมันจะแปรปรวนไปอย่างไรแต่จิตของพระพุทธเจ้าก็ไม่แปรปรวนไปตามคงที่เนี่ยหลักของพุทธศาสนาโดยรวบรัดตัดตอน เมื่อพระพุทธเจ้าไม่วันไว้ต่อสังขารอย่างนั้นแล้วผู้ที่เป็นสาวกสาวิกาท่านที่ปฏิบัติตามมานั้นท่านก็พยายามฝึ ก, กจิตใจไม่ให้วันไวไปตามสังขารต่างๆเหล่านั้นเช่นเดียวกันตลอดถึงทา ย, ยกทายิกาก็ ดำเนินข้อวัดปฏิบัติเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นแตกต่างกันไปไม่ใช่เพราะว่าจิตใจที่มันจะเป็นทุกข์มันกระวนกระวายเพราะมันได้กระทบกระทั่งกับสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ย ความไม่เที่ยงของร่างกายนี่แปรปรวนไปแล้วกระทบกับจิตจิตก็กระวนกระวายเมื่อจิตไม่รู้แจ้งนะไม่ยอมอดยอมทนต่อภัยธรรมชาติปล่อยให้จิตพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปตามความไม่เที่ยงของสังขาร น, น, นั้นอันนี้นภ ะ, ะไม่สมควร ที่เราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าก็ต้องพยายามฝึกตนให้เป็นไปตามพระพุทธเจ้านั่นถึงไม่เหมือนตั้งร้อยเปอร์เซนต์ก็ขอมันได้สักห้าสิบเปอร์เซนต์ก็ยังดีไม่เช่นนั้นแล้วก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้เลย การที่จิตใจวันไว้ไปตามขันห้านั้นนั่นแสดงว่าจิตใจมันยึดขันหานี่ไว้เมื่อขันหานี่แปรปรวนจิตก็แปรไปตามนี่ถ้าจิตนี้มายึดขันหาน้าว่าเป็นตัวเป็นตนน่ะเพียงแต่อาศัยอยู่เฉยๆเมื่อเวลาขันหานี่มันแปรปรวนไปจิตก็ไม่แปรไปตาม นั่นแสดงว่าจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดคิดว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนจิตรู้แจ้งตามไปจริงจึงไม่แปรผันวันไว้ไปตามขันห้านั้นการฝึกผลอารมณ์จิตก็มุ่งอย่างนี้เลยให้ตั้งความมุ่งหมายไว้ บุคคลทำบาปทำกรรมต่างๆมันี้มันกระล้นตั้งแต่มันวนไหวไปตามขันหานี้ทั้งนั้นแหละมันจึงได้ทำบาปถ้าไม่มีอาหารดีๆจะกินก็เดือดร้อนเนี่ยเนี้ยต้องได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงมันขันหานี่ถ้าผู้มาเห็นแจ้งในขันห้าตามเป็นจริงแล้วนี่ เอาหาได้มาโดยทางชอบสินชอบทำอย่างไรได้อาหารอันประนิตบรรจงหรือว่าไม่ประนิตบรรจงก็ตามได้มาอย่างไรก็รับประทานอย่างนั้นไปแม้ว่าขันห้านี่ทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วเมื่อมัน ถึงขาวเวลามันจะพิบัติแปรปวนแจกดับไปแล้วม่นเจะเอาอาหารดีๆวิเศษยังไงปณีดเลิศเลิศล อ, อรดเลิศอย่างไรมาบำรุงเลี้ยงมันมันก็ไม่ยัง่งยืนอยู่ได้ครับมันก็แปรปวนไปหาทางแตกดับนั้นผู้เจริญปัญญาวิปัสสนา พิจารณาเห็นขันห้าอย่างนี้แล้วก็จึงไม่ทําบาปมาเลี้ยงมันหาเอาแต่สิ่งที่โดยชอบด้วยศีลด้วยธรรมนะี่ยมาเลี้ยงมันอถ้าไม่ได้อาหารอันประณีตมาเลี้ยงมันมันจะแตกกระดับไปก็แล้วแต่มันก็มันไม่ใช่ของเราเระวังขับมันไม่ได้เราจะทํายังไงอ่ะ ก็ต้องวางตามสภาพของมันไอขืนยึดถือไว้มันก็เป็นทุกข์เปล่าๆเป็นอย่ า, างนั้นนี่แหละในขั้นต้นนะการภาวนาเห็นแจ้งในขันห้าก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้แล้วก็จะละบาป ก, กรรมต่างๆได้ เมื่อเห็นแจ้งตามเป็นจริงในขั้นต้นอย่างว่านี้เนะี่ยในขั้นต่อไปเมื่อเห็นแจ้งขันห้าตามเป็นจริงลงไปอย่างนี้มันก็ขจัดนิวรห้าออกไปได้ไม่ให้นิวรทั้งห้านะั้นครอบงำจิตใจใจก็จึงรวมลงเป็นหนึ่งได้ ไม่ไม่ให้ความรักความชังเข้าไปครอบงาจิตใจไม่ปล่อยความงวงครอบงาจิตใจไม่ปล่อยใจพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆไม่พยายามสงสัยอะไรท้ออะไรถ้าเกิดสงสัยอะไรมาก็ถามท่านผู้รู้เมื่อท่านอธิบายฟังแล้วก็หายสงสัยไป อันนี้นะว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ทุกคนจะต้องทำโดยเฉพาะวามว่งเหงาหานอนนะพ่าเป็นกิเลสตัวสำคัญมากทีเดียวนันั้นอย่าปล่อยให้มันครอบงามกายครอบงมใจต้องทำใจให้เบิกบานท่องไส ต่อบุญต่อคุณพระรัตนกรายอยู่อย่างนั้นทำความเบิกบานใจต่อศีลตนได้รักษาศีลมาให้บริสุทธิ์นี่แสนยากนักยากหนาถ้าไม่ยอมสละชีวิตลงเพื่อศีลจริงๆก็รักษาไม่ได้เลยผู้ใดรักษาได้ควรภาคภูมิใจ เนี่ยนึกถึงบุญถึงคุณเหล่านี้เมื่อบุญคุณเหล่านี้ปรากฏขึ้นในใจแล้ ว, ค ว, วความง่วงความเหงาก็หายไปหิดใจก็ล่าเริงบันเทิงอยู่ด้วยกุศลธรรมร่างกายก็กระปี้กระเปาไม่ทบเา้าเรื่องบนี้นะ๋ยวพากันไปนิ้งนอนใจต้องสู้ อย่าปล่อยให้ความง่วงเหงาหานอนมันครอบงำได้เต็มที่จนนั่งอยู่กันหลับฝันไปอย่างงี้ไม่ได้เรื่องอะไรเลยภาวนาต้องมีสติสมัชย์เนปลุ ก, กจิตใจนี่ให้ตื่นอยู่เสมอตื่นต่อความไม่เที่ยงนี่แหละไม่ใช่ตื่นต่อเรื่องอะไร ตื่นต่อความเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากของขันหานี่ยอืตื่นต่อความบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังของขันหานี่เนี่ยเราต้องตื่นอย่างนี้อยู่เสมอนะต้องกําหนดรู้อะไรรักอันนี้อยู่เสมอบําเพ็ญเอาจนเกิดญาณความรู้นู้นเกิดความรู้แจ้งขึ้นมา ท่านเรียกว่าไตรลักษณะยานก็ของมีอยู่นี่งแต่ว่าเราไม่ภาพเพียนไม่ยามที่จะรู้มันเท่านั้นเองธาตุสี่ขันธ์ห้า 4, 5, ทำไมจะไม่มีละ่ะมันก็มีอยู่เนี่ยรวมเรียกว่าร่างกายนี่ทำไมไม่อยากกําหนดรู้มันดูมันละ่ะเพราะขี้คลันภาวนา ที่คลาดพิจารณาเมื่อตนได้อยู่สบายระดับอยู่ไปอยู่ไปเรื่อยไปอย่างนั้นเฉยๆคิดว่าตนได้ทําบุญให้ทานมาแล้วคงไม่คาดแค่จากความสุขความเจริญเมื่อไปคิดอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยใจแล้ววะนี้ไปเชื่อเอาแต่ผลทานการให้การบริจาคเท่านั้น ก็จะพาตนให้พ้นจากนรกอบายภูมิไม่ใช่แล้วเพียงแค่กินกินทานทานไม่ไม่เป็นทางแกพ้นจากนรกอาปายภูมิได้ถ้าบุคคลไม่มาบําเพ็ญอภัยทานนะไม่มาสัพทานมั่นในศีลฝึกใจของตนให้เกลียดต่อบาปต่อความชั่วเหล่านั้นนะให้ได้แนละ้วนั่นแหละ มันถึงจะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็เราจะเที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่กี่ชาติก็แค่นั้นแหละความรู้ของจิตใจนี่นะเพราะว่าเกิดมาชาติใดก็ไม่ได้เพียนพยายามละมันเลย กิเลสเหล่านี้นะมีแต่พอกคูนให้มันหนาขึ้นไปเรื่อยๆอนนี้ดังนั้นนะแม้เกิดมาในชาตินี้มันก็จึงไม่สามารถจะรู้แจ้งได้แต่เมื่อบุคคลใดทําความเพียรเพ่งพินิษฐเข้าไ ป, ไปบ่อยๆเมื่อเอาชนะกิเลสเหล่านั้นลงได้แล้วมันก็รู้แจ้งขึ้นมาได้ อันรู้ตามสัญญาความจำตามตําหรับตำราหรือได้ยินได้ฟังเฉยๆนี่มันไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายมันไม่เป็นไปเพื่อความคลายกองกำนัดจิตดีอะไรต่อเมื่อรู้ด้วยญาณอันวิเศษบังเกิดขึ้นในใจจริงๆแล้วนั่ น, น, นแหละมันถึงจะพ้นจากภาวะ ของโลกอันนี้ไปได้ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราได้โอกาสได้มาบวชเรียนในพระพุทธศาสนาก็ดีหรือผู้ไม่ได้บวชได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาในชาตินี้แล้วไม่ควรที่จะให้ ชีวิตนี่มันมัวหมองไปด้วยอุป ก, กิเลสบาปประธรรมต่างๆควรชำระตาสางกายว่าจใจอุทนให้มันหมดจดจากกิเลสเครื่องเต้าหมองทั้งหลายให้ได้หรือถ้าชำระไม่หมดจริงๆก็ให้มันเบาบางออกไปจนว่ามัน มันไม่กล้าทำบาปได้นะเมื่อกิเลสตวัวหยาบๆมันเบาบางออกไปแล้วไม่กล้าทำบาปหรอกคนเรานะ่ะถึงอยาคิดเรื่องบาปมันก็ไม่สามารถที่จะลงมือทำได้เพราะมันไม่มีกิเลสอันหนาแน่นสนับสนุนจิตใจมันจึงไม่กล้าทำบาปได้มันเป็นอย่างนั้น มีแต่บุญกุศลมาหลุนจิตหุนใจอยู่บุญกุศลนี่มันจะไม่ซักชวงให้คนไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นเลยมีตั้งแต่อนุภาพของบาปเลยมันมาชวนจิตใจของคนเรานี่ให้ทำบาป ต, ต่างๆนั่นเพราะฉะนั้นอย่าไปรู้อำนาจแก่กิเลสเหล่านั้นอย่าไปยอ่อท่อถอยหลัง การภาวนาทำความเพียรเพื่อที่จะขับไล่กิเลสเสมารต่างเหล่านั้นออกไปจา ก, ก จ, จิตใจความเพียรพยายามนี่มีอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็มีอยู่ที่นั่นถ้าที่ไหนขาดความเพียรพยามมยามแล้วสิ่งที่ต้องประสงค์จำานงหมาย ก็คลาดเคลื่อนเมื่อได้ตามใจหวังดังนั้นนะทุกคนมันมีความหวังอยู่ในใจนี่นะหวังอะไรหวังความสุขแหละเราจะต้องทำงานไปทำความดีไปเราถึงจะพบกับความสุขถ้าไม่ขอใจทำความดีแล้ว ก็จะไม่พบกับความสุขเลยสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะคนเราอะไม่สอนใจตัวเองเข้าไปนี่ฉะนั้นมันจะทำได้ตนเองและสอนตอนเองนะสาคัญมากนะขอให้พากันใส่ใจไว้ควมจริงเนี่ยคาสอนของพระเจ้าใครๆก็รู้กันอยู่แล้วผู้ที่คงแก่เรียนร่ำ ผู้ที่ได้ได้สะดับรับฟังมามากต่อมากอย่างนี้นะมันรู้กันนั้นแหละบาปบุญคุณโทษแต่รู้แล้วมันไม่ลงมือทำบางคนนะ่ะเป็นอย่างนั้นจาไว้ในใจเฉยๆเลื่อมใสนิดหน่อยไม่ได้ลงมือทำตามไม่ได้น้อมเอาคําสอนเข้าไปขับไล่กิเลสออกจากใจ มีแต่จำลอ ย, ลอยไๆไว้เฉยๆนี่ที่พระศาสดาทรงสอนไว้ในพระรรมคุณนะพระธรรมที่พระพุทธภาคเจ่าสแสดงไว้ดีแล้วสารทิฏโกผู้ปฏิบัติยมรู้เองเห็นเองนี่นะนั่นแหละโอปัญญโกยโน้มพระธรรมนั้นเข้ามาจึงจะรู้ได้ถ้าไม่น้อมเข้ามา จำอยู่แต่ลอยๆภายนอกนั่นมันมันก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจอะไรเลยกำจัดกิเลสออกไปก็ไม่ได้เมื่อผูใ้ใดเข้าสู่วงในเอาสติสัมปชัญญะระลึกเข้ามาในวงในกายในจิตทมาเพ่งพินิจอยู่ในปัจจุบันนี่ไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วจิตนี้มันต้องรวมลงแน่นอนนะ เพราะว่าเราทำความเพียรติดต่อกันอยู่จนไม่เปิดโอกาสให้นิวรณ์ห้านะครอบงาใจไม่เปิดโอกาสให้มันเลยอย่างนี้นะเมื่อนิวรณ์ห้าครอบงาจิต ไ, ได้แล้วจิตมันก็สงบลงเป็นหนึ่งแล้วอา้าวนิวรณ์ห้าคืออะไรคือความรักหนึ่งความชางหนึ่ง ความง่วงเหงาห่าวนอนหนึ่งความที่จิตฟุ้งซ่านลำคันหนึ่งความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษหนึ่งนี่ท่านเรียกว่านิวรณธรรมแปลว่าทมอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีได้นี่พิจารณาเอาถ้าผู้ใดร่อยให้ทรหม5อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งครอบงาจิตอย่างนี้นะ จิตนี้ก็ไม่มีปัญญาเลยไม่สามารถที่จะสอดส่องมองเห็นธรรมของจริงได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปย่อท่อเราต้องสู้มันไปถ้าเราไปอ่อนเอไปตามอำนาจของกิเลสนั่นแล้วเราก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้จริงๆนั่นแหละก็ต้องมาบ่นทุกข์กันอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จะกอบจากสินชาติแล้วกับชาติเล่า แต่ส่วนบางไปตกนร ก, ก, กนั่นนี่พ้นจากนรกนู่นจึงมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานโดยลําดับพ้นจากสัตว์เดรัจฉานแล้วนั่นไนงะจึงมาเกิดเป็นคนได้อีกครั้งหนึ่ง เ, เมื่อเกิดเป็นคนมาวิชาตัญหามันหุ้มห่อจิตก็เลยมองไม่เห็นทางออกจากทุกข์อีก มันเป็นอย่างนั้นในคนเราผู้ประมาทแล้วนะโอกาสมันอำนวยให้แล้วนี่ในเกิดมาในชาตินี้มาพบพระพุทธศาสนาถ้ า, ากาไปเกิดในระหว่างที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วจะไม่มีใครมาเนะอุ บ, บายออกจากทุกข์นี้โดยถูกต้องให้ได้เลยอุบายละกิเลสตัณหาต่างๆมดนี่ มีแต่ในพุทธศาสนานี้เท่านั้นแหละศาสนาอื่นนอกนั้นไม่มีจะมีอุบายเย็บครปรงวางธาตุสี่ขันหานี้ลงไว้ตามสภาพก็ไม่มีคำสอนของรัที่ใดในโลกนี่ไม่มีอย่างนี้เลยดังนั้นเพิ่งพากันใส่ใจให้มาก ก็เมื่อเรามาเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี้นะอะไรมันมีอยู่ในนี้มันก็รู้มันก็เห็นนะออลองทำดูถ้าไม่เชื่อนะทำดูด้วยตนเองมันก็เห็นเองเนะี่ยเส้นความรักความชังอย่างที่ว่าโมนี้นะ ถ้าเราเพ่งกลวดดูภายในจิตใจเป็นปัจจุบันนี้แหละมันไม่ปรากฏก็แสดงว่ามันไม่มีอะในขณะนั้นนะแต่บางทีมันก็อาจซ่อนตัวอยู่เมื่อปัญญามันยังไม่แหลมคมพอมันก็มองไม่เห็นคนมองไม่เห็นนั่นแหละจึงเข้าใจว่าตัวนั้นมีกิเลสแล้วก็ประมาทในแบบ น, นี้นะอ่า เมื่อประมาแล้วกิเลสตอนนี้มันก็โผล่ออกมามาครอบงามจิตนี่จิตนี้ก็เศร้าหมองขุ่นมัวเดือดร้อนไปแล้วอา่ามันเป็นงานเรืองมันนะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าปล่อยโอกาสอันนี้ให้มันล่วงเลยไปเสียเปล่าพยายามควบคุมจิตตัวเองให้มันได้การควบคุมจิตจะสำคัญมาก <c oughs> แม้บุคคลใดจะรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรก็ตามนะถ้าควบคุมจิตไม่อยู่แล้วไม่มีประโยชน์อะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่สังเวชสลดใจไม่เบื่อไม่่ายไม่คลายความยึดถืออะไรเลยถ้าใจหลอดแหละใจวันไหวซะอย่างเดียวแล้วเสียไปหมดเลย เนั่นต้องทบทวนดูให้ดีผู้ปฏิบัติธรรมทบทวนมาดูจิต ด, ดวงนี้จะเห็นตามไหมที่พูดอยู่เนี่ยว่าจิตตรงนี้มันสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดเลยก็ความทุกข์ความสุขอะไรก็จิตตรงนี้เป็นผู้รับรู้นี่ร่างกายมันไม่รับรู้ด้วยหรอกความจริงนะ ยิงอยู่วิญญาณไม่อาศัยอยู่นี่มันรู้เจ็บรู้ปวดรู้ร้อน ร, ร, รู้หนาวเหมือนกันแหละร่างกายนี้ก็ดี <c oughs> แต่ว่าจิตใจที่มันไม่มีปัญญานั้นสินั่นแหละมันเดือดร้อนนะวุ่นวายส่วนร่างกายนั้นถ้าว่าจิตไม่วุ่นวายแล้ว จิตรู้แจ้งไม่ถือมัน่นว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วมันไม่ว่ามันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอะไรเลยนะร่างกายนี่น ะ, ะมันก็แปรปรวนไปตามสภาพของมันไปเท่านั้นแหละพิจารณาดูให้ดีแต่มันแสดงออกมาว่าเจ็บตรงโ้อนปวดตรงนี้เหนื่อยหลาย เป็นทุกข์หลายต่งตางๆนานาพวกนี้อะที่มันบน่นลงมาพวกนี้ก็เพราะมันมีจิตตรงนี้ยังอาศัยร่างอันนี้อยู่เท่านั้นเองทีนี้เมื่อจิตดวงนี้มันรู้แจ้งมันอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความแปลพวนของร่างกายนี้ได้มันก็ไม่แสดงความทุกข์ความโศกอะไรออกมาให้คนได้เห็นได้ยินได้ฟัง มีแต่แสดงอาการว่าจิตใจนั่นวางอุเบกขาลงไม่วันไหวต่อขันทั้งห้าที่มันแปลโผนไปอยู่นั่นนะ่ะนี่มันแสดงให้เห็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่ขมวนกระวายนะนั่นแหละแสดงว่ามันรู้แจ้งมันอดได้ทนได้เพราะไม่ถือว่าเป็นของเรานี่มันมันเห็นแจ้งว่าไม่ใช่ของเราแล้ว ดังนั้นมันจึงไม่เดือดร้อนนะอา้าวถ้าว่าทําไม่ถ้าว่าไม่ใช่ของเราแล้วทำไมมันถึงเจ็บทำไมมันจึงปวดอยู่ทำไมมันจึงเป็นโน้นเป็นนี้อยู่บางคนก็อาจจะตั้งปัญหาถามขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้เพราะจริงอยู่กบันบางคับไม่ได้เี่ มันไม่เป็นไปตามใจหวังนะแด้จะไม่ให้มันรู้สึกว่าเป็นทุกข์อย่างไรแล้วเพราะรู้ว่ามันเป็นทุกข์นั่นแหละพระศาสดาจึงทรงสอนให้เบื่อให้นายอให้คลายความยึดความถือแต่ความรู้เมื่อรู้แจ้งแล้วนะความรู้สึกว่าเป็นทุกข์นั่นมันก็มันก็ไม่มีพิษมีภัยต่อจิตใจอะไรเลย เพราะว่าใจไม่วันไหวไปตามรู้อยู่รู้ว่าทุกข์รู้ว่าเจ็บว่าปวดรู้ว่าร้อนรู้ว่าหนาวรู้อยู่แต่ว่าจิตไม่วันไหวไปตามก็เท่ากับว่าจิตไม่เป็นทุกข์นั้นแหละให้เข้าใจทุกข์ขังไป่าทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้นี่นะพิจารณาดูให้ดีคํานี้นะทีนี้ถ้าจิตมันมันไม่กระวนกระวาย ไม่กระซับกระายแล้วตั้งมั่นอยู่ได้อดทนอดกั้นอยู่ได้ก็แสดงว่าจิตไม่มีทุกข์นะส่วนร่างกายนั่นมันไม่ฟังมันบังคับไม่ได้อันนั้นมันย่อมแปรปวนไปตามสภาพของมันส่วนจิตใจเนี่ยตนเองสามารถบังคับตัวเองได้นะคิดดูถ้าบังคับตัวเองไม่ได้แล้วมันไม่รู้จริงหรอกมันเอาชนะกิเลสไม่ได้เลยอ่ เพราะนั้นทุกคนต้องพยายามบังคับจิตตัวเองให้ได้นั่นแหละเราจะได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วดังกล่าวมา